กอนโมทนาสตธุการละท่านสระชชนทั้งหลายการบรรยายพะสูตรในวันนี้เราจะพูดถึงเรื่องเวสารัชสูตรหรือพะสูตร์ที่พระเจ้าทรงสแสดงความกล้าหาญในสี่เรื่องเ้วยกันเรียกธกรรมะกลุ่มนี้ว่าเวสาลัชญาณ คือปริยาาที่ทำให้พระองค์มีความประหารไม่ขันขข้นครามการเกรงต่อกลุ่มคนทั้งหลายจอสามารถประกาศสัจจะคือความจริงในสีเพื่องทำกรามบุคคลทั้งหลายละความจริงเหล่านั้นก็ตนต่อการพิสูจน์ทดสอบไม่ว่าจะโดยใครก็ตามยุคในสมัยใดก็ตาม เรื่องสเรื่องนั้นก็คือถึงพระองปฏิญาณสถานะว่าเป็นรหาหันตสัมมาสมัมพุทธะแตหากว่าธรรมที่พระอานตสัมมาสมัมพุทธะไม่รู้ต้องรู้พระองค์ไม่รู้พระองค์ก็จะไม่ปฏิญาณแต่ว่าเพราะพระองค์ได้รู้เห็นทำความเป็นจริงจึงได้ปฏิญาณ คนนี้ก็เป็นความกระหารประการแรกที่ทำให้พระองค์ได้เริงรู้ฐาน่า ร, รู้แล้วตั้งแต่ตอนที่ประทับอยู่ที่ต้นโพแล้วคนนี้ก็ได้มาแสดงถึงเหตุที่พระองค์กล้าปฏาิญาณในจุดนี้ก็เพราะว่า ประยานสามของพระองค์นั้นได้เกิดขึ้นแก่อริยสัจทั้งสี่ครบสามครั้งเรียกว่ามีวนสามมีอาการสิบสองมันมีความบริสุทธิ์หมดจดถูกต้องสม่ำเสมอเหมือนกันหมดแต่ว่าพระยานตรงนี้ไม่บริสุทธิ์โปร่งก็ไม่กล้าปฏาิญาณแต่พอพระยานสาม ขึ้นในรีสัตวสี่ครบโปร่งก็ปฏิญาณเป็นความรู้ที่เรียกว่าไม่กําเริบคือไม่ได้เปลี่ยนแปลงมันความไม่รู้มันก็รู้อย่างนั้นรู้ตั้งแต่วันตรัสรู้มามันก็เหมือนเดิมจนถึงวันปฏิพานไปมันก็เหมือนเดิมคนนี้เราจะเห็นว่าการปฏิญาณตัวเป็นอะไรต่อมีอะไรเนี่ยเวลนี้ในเมืองไทยเราก็เป็นเรื่องที่น่าขวาง ก่อนไปเจอกับจันบัวก็ล่าจันบัวทั้งความที่เขาแจ้งมานี่หลายแข่งแต่เราก็ไม่รู้จะไหวยังไงหือจะไปสนใจเรื่องเหล่านี้มากมันก็ปวดหัวเปล่าเพราะว่ามันเป็นแก๊งมันเป็นกลุ่มที่ามาหากินอยู่กับความโง่ของประชาชนนั่นเป็นอะไแต่ไรมาสมัยพระพุทธเจ้าก็มีมจะไหวยังไงนะสมัยพระพุทธเจ้าก็มี แก็มีมากด้วยเมือนก็มีอยู่ทุกยุคทุกสมั ย, ยแต่มีคนได้รับประโยชน์จากกลุ่มคนเหล่านั้นถึงแม้จะไม่มากก็ตามนะเราก็ได้ประโยชน์โดยเฉพาะ ย, ยิ่งก็คือพวกกลุ่มลูกช้างทั้งหลายนี่นได้ประโยชน์นะเดี๋ยไปขัดคอเขาเขาก็โกร เราจะทำส่วนใหญ่เป็นเรื่องของบ้านเมืองไม่ใช่ทำๆแต่บางทีเราก็ต้องปล่อยไปเรื่องของกรรมนะฮะปล่อยไปตามกรรมก็จะไปแตะต้องอะไรไปยากเป็นที้มีประกาศตัวเป็นพระพุทธเจ้าก็มีอยู่ที่พิศุณโลกวันที่ห้านี่ยจะขึ้นไปพิศุลโลกจะไปคุยกับพระปร ะ, ส, ะสงค์ที่เขามาไปชุมกันนะ ไปสอบถามเจ้าคณะก็าดูเขาไปไปดูกันมั่งหรืเปล่าก็เปน็นชาวบ้านเ น, นีที่จังหวัดเลยอันเป็นผู้หญิงก็ประกาศเป็นพระสีอานที่พิจิตรเขาเป็นพระสีอานที่กรุงเทพเราเนี่ยฮะก็มีพระสีอานแต่สุขุมวิทนี่ก็มีพระสีอานคนก็แห่กันไป คือตื่นอะไรเนี่ยมันตื่นตื่นคืช่วย ต, ตื่นคนเนี่ยมันมันแก้ยา ก, ากนะเพราะจริ ง, รงๆการจะสัตรูปเป็นพระพุทธเจ้าหรือไม่เนี่ยมันไม่ใช่อยู่ที่พูดเอาอะนะมันมีเงื่อนไขอะไรมากมายกันก่อนโดยเฉพาะอยิ่งๆคือมีต้องมีความเปลี่ยนแปลงในทางภพชาติเนี่ยก่อนเปลี่ย น, นท า, ง, านนนงรูปร่างกายก่อน ก็คนที่จะตัดสู่เป็นพระเจ้าได้นั้นจะต้องประกอบด้วยหมาปริศลักษณะสามในสองประการที่เราทราบคือร่างกายมันต้องเป็นมาก่อนมันไม่ใจะนิ่งๆเป็นเอาอตาสีตาสายามาจะมีใครจะไปประกาศมันไม่ได้มันต้องเห็นที่ร่างกายก่อนแล้วก็เรียกว่าบุพนิมิตคือเรื่องที่เกิดขึ้นก่อนที่จะเกิดเรื่องจริงเนี่ยมันมีมากมายกกลก่อนเป็นช่วงเป็นตอนอย่างที่เคยพูดไว้ใน ความอัศจรรย์ในพุทธศ า, า, าสนาความอัศจรรย์ในพุทธศาสนาก็อยู่ในพระสูตรชื่อว่าอัจฉริยะปูธรรมสูตรเป็นการแสดงของพระอ น, นุนแต่พระอนุนในรับขานบอกล่ามาจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็แสดงสถานะของพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่ามันจะต้องมีปุพานิมิตมานเนี้ยมาก่อนมาหนึ่งสมศักิท์ทธ์ห้าเจถึงสิบเก้าอย่าง เฉพาะในชาตินั้นนะนะหรือจะเห็นมาก่อนทั้งสิบเก้าอย่างสิการมัเป็นเพียรจนสัรสรู้คือสิ่งที่ศัรสย์รู้คือประเด็นสาคัญถ้าเรามองโดยสรุปว่าคำคำว่าสัรสรู้เนี่ยคือว่ากิเลสบันดับไปอย่างรับคาบไม่กําเริบอีกต่อไปแล้วความรู้นั้นเป็นความรู้ที่ไม่มีความเปลี่ยนแปลง แล้วก็อยู่ภายในใจอย่างนั้นเราจึงพบ ว, ว่าธรรมมาที่พระเจ้าทรงสอนในปัญหาแรกกับปัญหาสุดท้ายมันเหมือนกันเหมือนกันทุกคําด้วยนะไม่จะเหมือนกันเฉพาะตัวเนื้อหาแต่เหมือนกันทั้งปัญญน ะ, นะแล้วก็เนื้อหาประจนอายุสามสิบห้าปีสามสิหกปีสแสดงอย่างไงตอนแปดสิบปีก็สแสดงอย่างนั้นนี่คือเป็นการเชีย่ยวเห็นถึงความรู้ที่เรียกว่าไม่กําเริบ เลที่มีอยู่ภายในพระไทยที่ถูกลาไปในบนต้นโพ้นะมันระแทนที่ตายต้นโพนี่หลังจากนั้นเราก็พบอารมณ์ต่างๆเยอะแยะไปหมดเยที่มาก็หน้ากลัวนะหน้าเจ้าตัวไม่รอดแต่ว่าตัวรอดมันได้ตลอดเพรมวาอารมณ์ที่ขูดข้อก็ออเกิดความกลัวก็ไม่ อารมณ์ที่โย่อยาวให้เกิดความรักก็ใหม่รักอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความโกรธก็ไม่โกรธมันทีเล่นแรงๆไงนะเราจะพูดว่าก็เล่นแรงๆแต่ก็ไม่เมไม่ได้โกรธอะไรอันนี้ก็คือก็คือสิ่งที่ทําให้พระองค์มีความกล้าหาญแล้วคนที่มาฟังมาประกาศตัวเป็นลูกศิษย์ในยุคแรกเนี่ย หรือแม้จะยุคต่อมาก็ตามแต่ที่น่าตั้งใจคือยุคแรกอายุยุคต่อมานั้นลงบา ร, รมีเยอะแล้วนะยุคแรกเนี่ยมันมันมันเป็นคนที่มีความคิดเป็นปฏิปักเป็นกลุ่มคนที่มีความคิดเป็นปฏิปักษ์ต่อระศาสนาแล้วก็ถือว่าตัวเองแน่แล้วนะตัวเองเก่งแล้วเธอก็กลับมายอมตัวเป็นลูกศิษย์ ว่าจะเป็นพวกปันตะคีพวกโบราณจ ด, ดินหรือพวกประสาริบุตรหรือแม้แต่พวกพระเจ้าพิพิษารซึ่งไม่ใช่คนธรรมดาธรรมดาแต่ก็มายอมตนให้ความเคารพนับถือเพราะว่าได้ผ่านการพิสูจน์ทดสอบตัวธรรมะพิสูจน์ทั้งสามชั้นน่นนะให้ลองสังเกตการพิสูจน์ทดสอบจนศรัทธาไม่หวั่นไหวนี่ต้องพิสูจน์ได้ทั้งสามชั้น แต่เราไปสู่ชั้นเดียวมันก็หว่นไหวได้นะฮะก็เปลี่ยนแปลงได้เพราะงั้นบางทีพระพุทธศาสนานี่เราจะเรียกว่าปริยัติศาสนาปฏิบัติศาสนาปฏิเวทศาสนาจริงๆก็คือสัธรรมสามนะฮะแต่ว่าท่านจะเรียกอีกชื่อหนึ่งปริยัติศาสนาคือการศึกษาเรียนรู้ถึงว่า แต่มาข้อนี้พระเจ้าทรงแสดงไว้อย่างไปรเมื่อปฏิบัติปฏิบัติอย่างไรแล้วปฏิบัติไปแล้วผมก็จะเป็นอย่างไรหมายความก็เรียนรู้ก่อนล่วงหน้าที่จะปฏิบัติเพราะฉะนั้นผลของการปฏิบัติกนดี ว, วิธีปฏิบัติก็ดีเรารู้ตั้งแต่ยังไม่ปฏิบัติเลยเป็นการรู้แบบรู้แผนที่รู้ผล ของการถึงจุดหมายปรายางพอมาพอมาถึงปฏิบัติจริงๆนะปฏิบททัติในศาสนาจริงๆเราก็ปฏิบัติแค่ศีลสมาธิปัญญาชาวบ้านอาจจะเรียกว่าทานศีลภาวนาแต่เพราะว่าบุญกิยาวัตถุคือจะสอนชาวบ้านเนี่ยสอนแบบบุญกิยาวัตถุก็เรียกว่าทาน แต่สอนพระก็ ส, สอนศีลสมาธิปัญญาซึ่งก็เหมือนกันนะนะเหมือนกันเพียงแต่ว่าพระนั้นเป็นพวกอาพยธาธเพราะว่าจะวัตถุสิ่งของมาให้มัน ก, ก, ก็ไม่มีนะมันจะมีมันก็ก็รบกวนชาวบ้านก็ได้ไรชาวบ้านไปต่ออีกอีตอนหนึ่ง ซึ่งก็สรุปว่าก็ไปชักชวนการทบุญอีกตอนนึงแต่ว่าหน้าที่ของพระจริงๆมันจริงๆก็เป็นการให้ธรรมะให้อย่างอืก็ก็คงจะยากนะเพราะมันไอ้วิธีชีวิตมันอีกแบบนในจุดนี้เองท่านก็มีคำสอนที่ไปเน้นที่สี เน้นที่สมาธิเน้นที่ปัญญาคือให้ท่านปฏิบัติท่านศึกษาก็เหมือนเหมือนการนะัศึกษาและปฏิบัติมารับผลหรือไม่ยังไม่รับผลก็ตามเราก็สอนในฐานะเราไม่สอนไม่สอนคําสอนเราอะนะเราสอนคําสอนของพุทธเจ้าไม่ได้ตั้งตัวเป็นอาจารย์เป็นอะไรของใครเป็นศาสดาอะไรไดก็เป็นเด็กรับใช้พระพุทธเจ้า การนํานข่าวสารจากพระพุทธเจ้ามาชี้แจงให้แก่ประชาชนแต่ชาวบ้านเนี่ยก็มีทรัพย์สินเงินทองเขาก็สอนในึทานสีนภาคือนะ เ, เน้นไปที่วัตถุทานก่อนเพราะว่ามันมีมา ก, ก น, นะฮะมีให้ได้ให้ได้แบ่งกันกินแบ่งกันใช้ในลักษณะสงคราะห์นเคราะห์มาสอนไปมันก็ลดความโลภความโกรธนะลดความโลภความโกรความหลงทั้งหมดวัตถุทานเองก็ลดความโลภความโกรธและความหลง ถ้าเราสังเกตนะครับมาความว่าเราต้องเห็นคุณค่าของการให้แล้วก็ผลเสียของการไม่ได้ให้ก็แสดงว่าตรงนี้ก็เป็นการลดความหลงทีนี้เราให้ออกไปเนี่ยก็แสดงว่าตัวสิ่งของที่เราให้นั้นเราไม่เได้เราลดความโลภได้แล้วคนที่รับนั้นเราไม่โกรธนะฮะแต่ถ้าเราโกรธเราก็ให้ไม่ได้แล้วเราสังเกตนะของที่ของเรามีเยอะแต่เราเกลียดคนนี้เราก็ให้ไม่ได้ แสดงว่าการกระทําทั้งหมดเนี่ยเป็นการลบโรคโปรดลงคือคือคือไม่ว่าจะเป็นทานเป็นศีลเป็นอะไรตามๆปรพยาทานมันก็เหมือนกันนั่นแหละจะลดโลคโปรดลงแต่ว่าเน้นตัวไหนมันก็จะเน้ น, นอย่างทานจะเน้นที่โลคศีลจะเน้นที่โกรธแล้วก็ปัญญาจะเน้นที่ลงพอมาถึงปฏิเวทาศาสนาก็คือเป็นผลนี่ยนะเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติ เมื่อเราปฏิบัติไปแล้วผมก็เกิดพุ่ไปพุ่มมาก็อยู่เรื่องเดียวแต่ว่ามันมีสามช่วงจะต้องศึกษาแล้วปฏิบัติจนได้รับผลแต่ว่าเรียกไปเพิ่มพอ ร, รับผลแล้วนี่มันมันมั่นใจมากๆก็คือศรัทธามัน่นมั่นคงมากๆเพราะปัญญาเป็นเรื่องประจักษ์ไปตัวเองตามท่านเหล่านั้น ยืนยันการศัตรูของรพระพุทธเจา้าเพราะว่ามันมีผลแก่คนอื่นด้วยไม่ใช่ว่ามีผลเฉพาะราพระพุทธเจ้าเพียงอย่างเดียวผลการปฏิญาณตรงนี้จึงถือว่าเป็นหลักอย่างหนึ่งที่จะทําให้คนเรามีความกล้าหาญคือในเรื่องความรู้เกี่ยวกับความระพฤติเนี่ยตัวนี้ที่จริงเน้นในตัวความรู้นะเพราะความพฤติมีอีกข้อหนึ่น หมายความว่าถ้าเรามีความรู้ในเรื่องอะไรจริงเนี่ยเราจะมีความกล้าหาญกล้าคิดกล้าแสดงกล้าอธิบายกล้าชี้แจงในเรื่องเ่านั้นแต่การพูดเรื่องที่พูดไปมันก็มีน้ำหนักจุ้ชนยอมรับยกยอ่องสรรเสริญตัวที่เราก็พูดไปแต่มันไม่มีน้ำหนักกันนะกิตตากดต้องพูด แต่เมื่อคืนนั่นก็มีข่าวผู้หลักผูยย้ใหญ่ก็ร้องกันเรื่องเหตุการณ์ทางใต้เนี่ยมัจะพูดมากคนที่ไม่รู้อย่าพูดมากมันเรื่องมันสลับซับซ้อนเยอะมันเรื่องประวัติศาสตร์สืบสาวไปเป็นร้อยร้อยปีนะฮะไม่จะเรียก ง, ง่ายๆเดกก็เรียกว่าเรื่องมันเปราะบางมันเป็นสังคมจิตวิทยามันเหตุผลทางหลายหลายเรื่องคือเจ้าชางช่างชงช่างพูดทรงเดชือไม่ไมด้ มันไม่ใช่มันไม่ใช่เฉพาะเรื่องบ้านเราอะนะมันเกี่ยวโยงอะไรอย่นอยูย่เยอะแยะหมดแต่ยินผู้ใหญ่เตือนกันหลายกนมเมื่อวานนี้นี่ก็พอพูดไปแล้วพอเขาซักซ่ากันจริงๆเราก็ไม่มั่นใจเพราะเราก็ไม่รู้จริงไงนะเพราะในคำว่ารู้จริงเนี่ยในส่วนหนึ่งจึงเป็นเรื่องของการศึกษาคล้ายๆกับนักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยคือถ้าเธอเรียนมาดีมีความเข้าใจดีเธอก็มั่นใจ จะสอบก็มั่นใจจะใช้ความรู้เหล่านั้นไปทำงานก็มั่นใจก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วกล้าหาญแม้จะไปสอบแข่งอะไรต่างประเทศแต่ก็ทาได้สรุปว่าทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากเราไม่ได้เกิดขึ้นมาจากภายนอกจะทำยังไงว่าจะให้เกิดเป็นความมั่นใจต่เรียกว่ากล้าหาญกล้าหาญใ น, ใน ทุกๆเรื่องก็แลแต่สายอะไรนะและแต่สายของอะไรแต่สรุปว่าฐานสำคัญคือความรู้เพราะถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราจะกลัวไม่ว่าอะไรจะกลัวหมดแม้แต่เรื่องความตายเนี่ยก็กลัวกลัวตายอะ่ะแต่ถ้าเรารู้ความจริงเราก็ไม่กลัวเพราะกลัวไปมันก็เท่านั้นเองไม่ได้แก้ปัญหาอะไรมันเป็นการเพิ่มความทุกข์ โดยใช่เหตุได้เกิดขึ้นแั่นั้นเองแต่ถ้าเรารู้ว่ากลัวไม่กลัวกคือตายะตายก็คือตายตายตรงไหนก็คือตา ย, ตตายเพราะยังไงเราก็ตา ย, ยแล้วเราก็ไม่จำเป็นจะต้องกลัวมันเมื่อไรก็ได้ตายที่ไหนก็ได้ตายแล้วเป็นเรื่องคอลดนเพราะในสิ่งที่เราทำได้มันก็คือใช้เวลาชีวิตใน ในปัจจุบันที่เราทําอะไรได้เราก็รีบทำํำพวกนี้ตายก็ตายแล้วก็ไม่มีใครทําอะไรเสร็จนะฮะนอกจากพระพุทธเจ้านอกจากพระอานทั้งหลายจริงๆถ้าเสร็จกิจส่วนตัวท่านแต่ว่ากิจเพื่อโลกมันก็ยังไม่เสร็จอนะนะมันไม่มีใครทําเสร็จอนะ่ะกิจเพื่อตัวเองที่แท้แล้ ว, ว่าเป็นอาเสีขะมันเป็นเฉพาะตัวท่านไม่ได้เป็นเ อ, อ่อทั่วโลก ภารกิจที่จะต้องทําต่อรอมันก็มีมาจนถึงปัจจุบันก็ยิ่งสลับซับซ้อนมากขึ้นเพราะการส่งเสริมให้เกิดความรู้หรือพัฒนาเกิดความรู้ความเข้าใจในสิ่งต่างๆตามความจริงว่าความจริงเป็นยังไงเราก็จะมีความเชื่อมั่นในตัวเองแน่นอนเราอยู่ในสังคมเนี่ยคือการโดดเด่นขึ้นมาเนี่ยมักจะถูกริษยาอนี้เป็นเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นเรื่องธรรมดานะ ไม่เช้าไปได้อ่านหนังสือพิมพ์เรื่องไม้ไทยสันแกอะไรเนี่ยแจ็คสันอะเนี่ยคือมันมันมันเป็นคนจากทุลีดินเป็นคนยากจนที่ต่อสู้ชีวิตมาจนร่ำรวยเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็ถูกสังคมทำลายทั้งคู่เป็นเรื่องแปลกแต่ว่ามันก็เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าสังคมมีมนุษย์ร้ายมาก มีความรุนแรงมากแต่ถ้าเรามองจีิงๆว่าพุทธเจ้าเองก็ยังถูกทำลายอย่างตัวคนเบียดเบียนล่างผลาญสารพัดตลอดประชชนไม่ชีพเพียงได้ทำลายไม่ได้แต่นั้นเองเพราะอะไรเพราะว่าจริงแท้ยังไงก็กล่าวหาอย่างไงพอถึงบทหนึ่งพิสูจน์ได้พระกุทธไม่เป็นการทำไปต่อมาก็มาอยู่ที่เราอีกว่าเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเราไม่เป็นเนี่ยมันก็พิสูจน์ครับ สูดถึงจุดหนึ่งมันก็จบแล้วก็หาข้ อ, อยึดติดได้แต่สังคมก็จะกล้าอบรมซึ่งบางครั้งเราจะพบว่าคนบางคนมันมันมันถูนนกฆ่าไปตั้งหนานแล้วนะสังคมในยุคนั้นสมัยนั้นปฏิเสธความดีงามของท่านแต่สังคมในยุคหนึ่งก็นำมาเชิดชูยกย่อง เป็นรเรื่องไซซีเรื่องอะไรแต่ไรเนี่ยนะในยุคนั้นคนก็เกลียดนะบางทีบางบางคนก็กลายเป็นผีบ้าผีบุญถูกเผาไฟถูกช่างไฟในยุคสมัยหนึ่งแตถึงยุคสมัยหนึ่งสังคมเขาขอศึกษาคนกว่าบางังก็ต้นความอยากรู้ของคนอีกยุคหนึ่งเอ๊ะว่าทำไมทาไมทำไมทาไมเขาคน แล้วในสุดคนเป็นอันมากที่ประวัติศาสตร์เอาดินกลบหน้าไว้ทั้งหลายปีหลายร้อยปีนะคนยุคหลังก็รึกอฟื้นขึ้นมากลายเป็นคนที่ควรเกีย่ยวการเคารพสักรรสการะยกย่องเป็นเกียรติประวัติสร้างรูปจำลองขึ้นมาเคารพสักการะกันแต่พระเจ้านั้นพิสูจน์ได้มาตลอดในส่วนของความรู้ก็พิสูจน์ได้ตลอด โดยนักปราชญ์ทั้งหลายในยุคในสมัยนั้นก็เป็นความรู้จริงคำว่ารู้จริงก็คือว่ากิเลสมันไม่ไม่มีด้วยนะคาว่ารู้เนี่ยเพราะว่าทำลายอาวิชชาอย่างที่เคยบอกว่าโลกนี้มันมีสองขัวภายในใจเราก็มีสองขัวใหญ่ตั้วหนึ่งก็คือวิชาเป็นรากของกิเลสทั้งหลาย พฤติกรรมความเลวร้ายทั้งหลายไม่ว่าจะอะไรก็ตามมันก็สืบเนื่องมาจากวิชายานั้นยื่นหนึ่งคือวิชาคือความรู้ซึ่งเป็นที่มาของความดีงามทั้งหลายจะมากหรือ น, อน้อ็ตามเป็นถึงจดสรูปพอถึงจดสรุปนี่วิชาก็สมบูรณ์เพราะฉวิาวชาก็ดับไปอย่างสิ้นเชิงก็คล้ายๆกันในห้องมืดเนี่ยนะฮะในห้องนี้สมมติวมันมืดมืดหมดมันก็มีความมืด ในขณะเดียวกันเนี่ยอีคว่างหนึ่งก็สวาส่างเพียงแต่สวาส่างยังไม่ปรากฏเพราะงั้นพอเราเพิ่มแสงสวาส่างขึ้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะไม่มีมือดอยู่แม้ในซอกในมุมต่างๆแต่ว่าแสงสวาส่สวางนี้มันมันที่จริงมันต้องมีนะแสงสว่างพระจั์พระอาทิตย์มันจะส่องได้จํากัดแต่นี้เป็นแสงสว่างของปัญญาเจัดมืดได้อย่างจริงจังประการที่สองทรงปฏิญาณว่าเป็นอารหันตขีนาศ ขีณาสวะหรือขีณาศพขีณาอาสวะก็คือมีอาสวะหมดแล้วอาสวะอันใดที่พระขีณาศพบละได้ตาหากว่าพระองค์ยังละไม่ได้ก็ไม่ปฏิญาณว่าเป็นรานตะกีณาศพแต่พราะองค์ละได้จึงได้ปฏิญาณว่าเป็นรานตะกีณาศพและจากจุดนี้เราก็พบว่ามีการพิสูจน์ทดสอบไปแจ้ ว่าโรงเป็นอย่างนั้นจริงๆไม่มีอาการของกิเลสไม่ว่าในสถานการณ์อย่างไรก็ตามนะคุกคามรุนแรงกระตุ้นเร่งเร้ายั่วยาวยั่วยวนด้วยุข่มขู่สารพัดนัสะวะมันไม่หยุดย่างนี้บอกว่าการเกิดของกิเลส เ, เกิดอารมณ์เกิดปัญหาต่างๆ ดูตัวอย่างง่ายๆก็นด้นะเหมือนกับไมเคิลแจ็คสันมาเนี่ยคนบางคนคลุ้มคลั่งไปเลยเปลื่อนเลื่อนสองวันเน่งจะมีคนเป็นลมชักกันมีนะแ้วมีคนเยอะเด็กก็ไม่สนใจเลยเลยมากกว่ามากเลยนะฮะมากกว่ามากแต่บางคนแก่แล้วก็ยังมาไปมาไปรีดเขาด้วยนะจริงๆเสียงเสือนก็ไม่ได้ยินได้ฟังอะไรเรามีแต่ดนตรีลกลบหมดเลยนะ อันนี้ก็คือมันก็อยู่ที่ใจเราที่เราเก็บอยู่ภายในว่าเรามีความสําคัญเรออยายห็นความสําคัญกองสิ่งตรงนั้นหรือไหม่ถ้าเราไม่เห็นเราก็มองเขาด้วยความสงสาระมองคนคุ้งคร่ำด้วยความสงสารแต่ว่าคนที่ทําความดีเราก็มองด้วยความจริงจังก็ท่านนั้นเองก็เป็นด้ความเหยคือไม่ได้ถูกสุดเข้าไปสู่กระแสะของการต่อสู้หรือการดิ้นรน เ, เรื่องแบบ น, น, นี้แต่ถ้าเราสังเกตนะเราฟังข่าวฟังการสัมภาษณ์อะไรแต่ไรเนี่ยเราจะพบว่าคนที่มองดีก็มองเยอะเลยมองในแง่ประโยชน์อย่างอื่นมันก็มองเหมือนกับมองเกิดแก่จะตายนะแห็นว่าพระเจ้ามองในแง่ของความทุกข์ก็พูดในแง่ของทุกข์สัตว์แต่ถ้าเรามองถึงเศรษฐกิจมันก็ดีนะฮะ พเพราะเกิดนี่เขสร้างงานเยอะเลยแล้วก็ทําให้เงินแพร่สะพัดเยอะเศรษฐกิจดีขึ้นเยอะนะฮะมีเจ้าหน้าที่ทํางานมีเครื่องใช้สมัครพารกมียาสมัครพารกมีพี่ลุงพี่เลี้ยงอะไรต่อะได้งานเยอะเลยเด็กเกิดขึ้นมาคนจะลูกเศรษฐีเกิดนี่โอ้โหได้งานเยอะพอแก่มันก็ได้สร้างอาชีพเยอะเหมือนกันาอาชีพเยอะ เก็บก็สร้างอาชีพหมาสาเลยหมอนี่รวยไม่รู้เรื่องไลตึก ส, สูงสูงสูงเกิดขึ้นเนี่ยถ้าไม่มีคนเจ็บก็คงแย่นะฮะอาชีพคงว่างไเนนั้นก็มองแบบหนมองแบบมองแบบเศรษฐกิจเป็นการมองคนรมุมนะเป็นมากันเป็นการมองคนว ม, มยิ่งยิ่งตายก็ก็ไม่ใช่ธรรมดานะรายจ่ายไปสะพัดเงินมันก็แพร่ข้าไปถึงต้องไปโ น, น่จากกลางทุ่งนาะ พวกชาวสวนชาวไร่มันก็ไปถึงกันหมดเลยแล้วก็มุมมองมุมหนึ่งเรียกมุมมองแนวสังคมซึ่งศาสนาไม่ได้ปฏิเสธในจุดนี้นะฮะแต่ศาสนามองในแนวที่ทําให้หลุดพ้นจากความทุกข์และอย่าน้อยก็ให้บรรเทาความทุกข์เวลาตัวเองต้องพรัพรากหรือว่าตัวเองต้อประสบกับความแก่ประสบความเจ็บประสบกับความตายก็ไม่สะดุง้งไม่หวั่นไหวไม่กลัวมากเกินไป มันสำคันอยู่ที่กิเลสเรามีหรือเปล่าข้างในอะ่ะแต่เราไม่มีกิเลสสิ่งทั้งหลายมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นเราจะมองเห็นตามความเป็นจริงอแล้วก็ไม่ถึงกับไปไปด่า ว, ว่าใครเขาเขาก็สนุกก็เขาก็เป็นอย่างนั้นเราเข้าใจเขาว่าคนใบหนุ่มใยเดียรกับเขาเนี่ยเขาก็สนุกสนานเข้าอย่างนั้นแต่เขาก็ไม่เป็นอย่างนั้นตลอดหรอก ต่อไปเขก็เปลี่ยนแปลงไปเองเรียกว่ารู้เห็นตามความเป็นจริงคือจะมองคนอื่นตามความเป็นจริงใจมันบริสุทธิ์นะครับใจบริสุทธิ์จากอาสวะเนี่ยโลกทัศน์เนี่ยจะดีอย่างที่ยกตัวอย่างให้ฟังว่าพระพุทธเจ้านั้นเหมือนกับคนที่ตกอยู่ในทะเลเช่นเดียวคนอื่นเรือแตกนะว่ายน้ําันเต็มไปหมดเลย จมบ้างไม่จมบ้างส่จวจะจมไม่จมจมบ้างพระองค์ก็ขึ้นฝั่งได้แต่ก็ลงไปช่วยคนคือมองคนอื่นเนี่ยอยู่ในทะเลของฝั่งก็ไปช่วยเขาก็ท่านเองแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าช่วยได้หมดนะคนที่เขาไม่พร้อมหรือคนที่ตายไปแต้ก่อนจมไปเสก่อนเราก็ช่วยไม่ได้ เราก็ช่วยเท่าที่เท่าที่ช่วยได้อารศาวะก็คือกิเลสรวบยอดน่ยนะจริงๆเป็นกิเลสรวบยอดเราจะพบว่าเป็นเป็นเป็นเป็นเรื่องแปลกนะฮะพระญาณเนี่ยท่านเรียกว่าอารศรวะขยานท่านไม่เรียกว่าตันหักขยานเลยนะฮตันักขยานเนี่บางทีก็มีนะฮะจะเรียกว่าอารศาวะขยานเป็นการสรุปรวมกิเลสไว้เป็นสามกองใหญ่ เอกามาสวะภวะสวะวิชาสวะกรมาสวะอสวะคือกามหมายความว่าจิตใจที่มีความรู้สึกกําหนดสิ่งทั้งหลายในโลกเป็นรูปธรรมา น, นามธรรมประตามรวบหมดนี่ยนะเรื่องหน้าของความไข้ความปรารถนาความพอใจในสิ่งเหียดนั้นเพราะว่าสวะนั้นที่จริงค่อนข้างสูงขึ้นน่ยนะถ้าพูดแนวอสวะ คือตั้งก็อยากเกิดแต่อยากได้พบที่ประนีษฐ์เพราะการทำบุญระดับเขาเรียกว่าต่างกามีกุศลของคนเราทุกๆคนเน่ยนะต้องการเป็นเทพประบุตรเป็นเทพธิดาในสูงสวรรค์ต้องการเป็นเกิดเป็นพรหมต้องการมาเกิดเปรตลอดถึงต้องการเป็นพระอาเรเจ้าเนี่ยฮะมันก็มันก็มีอาสวะอยู่คือต้องการเป็นอยากจะเป็นแต่มันประนีษฐ์กันไปด้ว ย, ย ก็บางทีจะเรียกว่าภาวะทิฏฐิคือความเห็นที่ยึดมั่นหรือมั่นในความเป็นเหล่านั้นคือเข้าใจว่าความเป็นเหล่านั้นมันเที่ยงเป็นพรหมเที่ยงเป็นเทวด า, าเที่ยงเป็นอะไรเที่ยงเนี่ยจะอยู่ตลอดไปคือเราลืมไปว่าจริงๆอะอยู่ตลอดไปไม่ใช่นสนุกนะจะมเป็นตลอดไปนั่งตลอดไปนอนตลอดไปกินตลอดไปอยู่ตลอดไปมันก็ไม่สนุกอะไรสักอย่างหนึงอะ เราลืมไปประเด็ดนนี้มองว่าเป็นเทพอดีดาตลอดไปนะฮะเทพพระุทธตลอดไปอยู่สวรวิมานตลอดไปเราลองนึกดูเราอยู่กับคนกลุ่มเดียวนี่คนนี้ท่านนี้เป็นร้อยปีพันปีหมื่นปีโอกระเซงตายแล้วนะเพราะงั้นจริงๆแล้วนี่มันไม่ใช่สนุกแต่ว่าเพราะมันมีโมหะอยู่มันเป็นการคาดหวังเป็นการคาดหมายโดยลืมไปว่าจริงๆเนี่ยมัน มันไปนไปไม่ได้ความเป็นในลักษณะนั้นโดยแต่ว่ามันก็สะสมหมักหมมอยู่ภายในใจพอเราศึกษาเรื่องสวรรค์เรื่องอเกบพบุตรเทพบิดาเรื่องพรหมเรื่องอะไรแต่ไรมันดูร่าเลยเกันก็ทําให้เกิดอยากเป็นพวกนี้เป็นตัวกระตุ้นตัวกระตุ้นตัณหาครับบางทีก็จนเติงก็อยากขาดพบไปก็นี อยากทำลายภพก็มีแต่ว่าพวกนี้เราเห็นว่าพระวตนากับพิภวัฒนาก็อยู่ด้วยกันยี่หนึ่งก็คือโคตรบรรเลยคืออวิชาสวะอสวาคืออวิชาซึ่งในแง่ของการละเนี่ยในแง่งการละจริงๆท่านจะเห็นว่าการมาสวะเนี่ยมันละได้ตั้งแต่เป็นพระนาคามีแต่พอมาถึงภระ ว, วะัฒนาการวิชาสวะในพระอาจารย์ท่า น, น, นเด่งละได้ เพราะมันจะในสังโยชน์ทีระดิติที่กำลังพูดมานานแล้วอนะมานานแล้วเนี่ยพวกนี้ก็เรียกว่าคือรูปปรคาคะอรูปราค่รูปปรคารปปรค่าก็คือรูปพระพเป็นพรหมโลกที่ประณีตอรูปประราคะก็คืออรูปประพอรูปประพบขึ้นถึงอรูปปพบเป็นเป็นเป็นเป็นนามธรร ม, มนะฮะเป็นสภาพของจิต ที่มีความสงบอยู่นานผ่านพบชาติไปนานเยอย่าปหมดเลยไม่ไม่ได้เข้าสู่สังสารวัตนานนะอย่างการตายของท่านอาลาดดาวบดกาลามโคตุทกดาวบทรามบดอาจารย์พู้เจ้าก็ก็เข้ารูปภพแล้วก็วิชาสวะก็คืออวิชาสังโยชน์นั่นเองคนละได้มีพวกเดียวคือพระอ า, าราหันพระราคามียังละไม่ได้นะพระนาคามียั ง, นะยงติดภพอยู่เลย ยังอยู่สวรรค์ยังอยู่พรหมโลกสุดท้าวาัดเดี๋ยวท่านลา ก, การรมราคะได้เพราะงั้นพรหมโลกเนี่ยจึงไม่มีเพศว่าที่จริงไงนะฮะไม่จะกระเทยนะแต่ว่ามันมันมันมันก็หมายความไม่ไม่กําหนดเป็นเพศหญิงเพศชายนะไม่กําหนดเป็นหญิงเป็นชายแต่ก็รูปมันก็ถ้าเขียนรูปขึ้นมามันก็เป็นชายอนะ่ะเพราะว่าพรหมนี่แปลก คือยังไม่เคยพบไม่เคยพบพบพรหมผู้หญิงตั้งแต่พรหมโลกไปเลยตั้งแต่ตั้งแต่ตแต อ, อพรหมบริษัทชาไปอ น, นะฮะที่เกิดโดยภูมิเขาปฐมชาตเนี่ยก็มีแต่แต่แต่แ ต, แ ต, แต่แต่ที่พูดนะฮะแต่ที่พูดที่ท่านเล่าไว้ก็มีจะพาผู้ชายแต่ก็แสดงว่าไม่ไม่เป็นสัตว์ไม่เป็นคนไม่ไม่เป็นผู้หญิงผู้ชายคือไม่ยึด ต, ติดในความเป็นผู้หญิงผู้ชายเพราะว่า มันไม่มีความเกี่ยวข้องกันทางเพศทําไมอะฮะคือเราต้องมองกลับไปที่ไปที่กรรมฐานที่เรเรียนมาเพราะท่านเหล่านี้ท่านสงบก ร, รมฉันนิวรได้นะท่านสงบก ร, รมฉันนิวรณพยาบาทสงบนะไม่ใจละสยบสยบคือหมความบ่าไปคลายก็เ อ, อะไรมากดทับไว้เหมือนเอาเสื่อลำแพนมาปูปิด สนามหญ้าไว้นะแล้วก็ไม่เห็นหญ้าแต่ที่จริงกระหญ้าก็มีอยู่นะท่านเหล่านี้จะจะสงบอยู่ได้กวามฉันพยายาบาทที่นั้นไม่เท่าตจารวิจาวิจิกิจามันไม่มีไม่ใช่ไม่มีไม่ปรากฏปรุงจิตจิตก็อยู่ด้วยฌานด้วยวิตตุจิจารปีติสุขเอกกตาเพราะจิตจิตอย่างนี้จึงจึงไม่ได้มีความรู้สึก เกี่ยวกะในทางนั้นทางวุ่นวายในทางนั้นเมื่อวานในปอยนูน้นเข้าลึกไปทางหนองยาบลอ้อมทางจังวัดเพชรบุรีมึงเปกก็นเรคก็งงหมดเลไปดูรมณ์เรื่องโรคเอด็ดเออเอ็ดมันเข้า ม, ามทาป่าข้ามเขามันตั้งหลายลูกเลยเรื่องอะไรคือนี้เราเราจะเห็นว่ามันเป็นจิตมันตกเฉย คือถ้าเรายกจิตขึ้นเราเส้นหน่อยนะยกยกจิตขึ้นเหนืออารมณ์เสนหน่อยอย่าตกเป็นทาสของอารมณ์เกินไปเป็นานายจิตควบคุมจิตตัวเองได้อะไรควรอะไรไม่ควรก็มีครอบมีครัวมีสามีปัญญาได้เรียบร้อยเหมือนมีปัญหาอะไร่ะนะก็อย่าไปซํำสอนทางเพศก็อย่า ไปติดสิ่งเสพติดมันก็จบแล้วนะมันระดับอวัยามุฒเท่านั้นเองระดับสี่ห้าระดับอวัยามุฒเอาเว้นอวัายวุฒก็เอาหรือเป่งั้นรักษาสี่ห้าสองข้อก็เอาเป็นเรื่องน่ากลัวนะะคือนั่งไปไปไ ป, ไปริมถนนอย่างนึกเอ๊ะทำไมมันป่านี่นะเดิรงณ์เรื่องโรคเอดส์เดินรงเรื่องสิ่งเสพติดแสดงว่าระบาดแรงมากเลย เศรษฐกิจไม่ดีอยู่แล้ว่นะฮะยังมีปัญหาเรื่องตรงนี้ด้วยเราก็ไปกันได้เลยเก็ก็พูดเรื่องอาบใยามุกศีนห่าบอกให้เลิกกับใยามุกลดอาบใยามุกัน่ะศีนห่าลงไปรักษาศีนห้า ไ, ได้หรือว่าเอาอะไรสักอย่างที่ยริมันก็ได้สองอย่างนะหมายความว่าถ้าเราเว้นอาบาใยามุกมันก็คือไม่ละเมิดศีนอย่างน้อยก็กามเอกสุรา สีนข้อกามีกสุรายเราสังเกตนเป็นอบายมุกอยู่ด้วยเป็นนักเลงสุราเป็นนักเลงจริงถ้าเป็นนบายมุกเรีย น, นักเลงสุราหนักจริงๆแต่ถ้างูเว้นมันก็จบหรือแวงก็รักษาสีสองข้อก็จบเหมือนกันพุ่นี้มันเกิดมาจากอะไรมันเกิดมาจากอาวิชชาคือมันโง่โง่ค่อนข้างจะโง่ามากๆนะฮะรือว่เหมือนเหมือนกับเด็กเล่นไฟ รู้ไฟร้อนแล้วยังเล่นเล่นแล้วมาร้องรู้แสนรู้นะว่าอะไรมันเป็นอะไรแลว้วก็ยังไปเล่นไฟเป็นปัญหาระดับชาติจนถึงระดับโลกแต่เราจะมองในแนวนี้เราจะเห็นว่าไม่มีอะไรคืออสวกัญญะมั น, มนอวิชาบัญญะทําให้กามอสวะมันเข้มหนะถ้าวิชามันเข้มกมาอสวะ นั้นเป็นคนกลุ่มไม่มากแต่เทียบประชา ก, กรโลกแล้วไม่ใช่คนกลุ่มมากอะไรแต่ว่าในฐานะที่เป็นสมาชิกของสังคมเนี่ยมันพอเริ่มเสียสักจุดแล้วมันเสียเป็นโรคที่พร้อมจะแพร่เชื้อกระจายออกไปบางทีก็เครียดแค้นสังคมต้องการจะแก้แค้นอะไรใครไม่รู้นะไปแก้แค้นจนเปรือไปหมดเลย นี่ก็กลายเป็นสร้างปัญหาทับทิมากิ่งขึ้นแต่ทั้งหมดมันก็เริ่มมาจากวิชาทีนี้ถ้าเราดับตรงนี้มันก็กลายเป็นความบริสุทธิ์เป็นความรู้ตัววิชาที่ดับไปเนี่ยทำมันก็เกิดมาจากความรู้ถ้าเราไม่มีวิชาเราก็ดับตัววิชาไม่ได้ทีนี้พอใจบริสุทธิ์พอใจมันมันมันไม่มีวิชาแล้วที่จริงพวกนี้มันก็ไม่มีหรอก แต่ทำยังไงว่าเราเอาขนาดขนาดใจบริสุทธิ์พอสมควรคืออย่าตกเป็นทาตกิเลสที่พระเจ้าทรงแสดงว่าอย่าเป็นธาตตัณหาเราคงมีตัณหาได้นะฮะแต่อย่าถึงกับเป็นทาตุเพราะคนที่ตกเป็นธาตุคอน า, น, านั้นจะมีแต่ความเดือดร้อนเพราะงั้นปฏิปทาข้อ น, นี้ยหลักข้อ น, นี้ยเราก็เดินตามได้ในระดับหนึ่งอยู่แล้วแตในขณะเดียวกันก็ทำให้กล้าหาญเชื่อมัน่น คนวิตกเดือดร้อนกับเรื่องโรคภัยแล้วเนี่ยไม่ต้องมีเดือดร้อนไม่หรอกเรามาอระวังใหญ่กว่าอื่นมาแพร่เชื้อกันแล้วกันนะฮะแต่อย่างที่เคยบอกว่าบางทีพระที่ต่างจังหวัดไปคนคนผมมีดไปบาดเออพระที่เป็นโรคเอดระใหม่นะเป็นโรคเอดโรคเอดเมื่อก่อนนะั่นน่ะมาบวช เดี๋ยวนี้มันเล่นเล่นแรงนะคพอเป็นโรคเอดเอามาหลอกพระบวชตากขาตรวจไม่เป็นนี่ยนะทีนี้ที่จริงถ้าห้ามไม่บวชมันก็ทําไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าวิเนัยก็ไม่ห้ามไว้เราก็ไม่มีสิทธิ์จะห้ามนอกจากว่าหมาเต่สมาคมท่านจะออกประกาศแต่ตอนนี้ท่านยังไม่ออกเพราะเรามองว่ามันถึงจุดหนึ่งเนี่ยคงจะต้องช่วยกัน คือพระสงค์ก็คงจะต้องเอาคนเหล่านี้เข้าไปช่วยไปอยู่สักแข่งหนึ่งนะก็ไปดูแลรักษารักษาโรคจิตแลี่รักษาโรคเอรักษากเนี่ย ร, รักษาจิตเขาให้ทําจิตใจมันดีขึ้นชาตินี้มันก็ไปแล้วนะฮะทำยังไงคุณภาพจิตมันดีขึ้นจะไม่โง่อีกในชาติต่อไปอันนี้ก็คือจริงๆก็คือความบริสุทธิ์ซึ่งหมายความว่าเราโดยเสด็จได้ การต่อไปเนี่ยเป็นเรื่องของพระธรรมพระธรรมอะไรที่ทรงสั่งสอนแสดงว่าจะเป็นทุกข์แก่ผู้สร้างเสรคือผู้ปฏิบัติถ้าหากพรธรรมนั้นไม่ให้ทุกข์แก่ผู้ปฏิบัติได้จริงพระองค์ก็ไม่ปฏิญาณว่าเป็นอนตัสมาสพุทธะเพรา ะ, ะเราจะเห็นว่าธรรมะกลุ่มของสมุทยัยที่เรียกว่ากลุ่มสมุทัยนั้นบางชี้เนี่ยมันเป็นอากาศ เราจะเห็นว่าเช่นเช่นที่หนังสือซึ่งแจกญาติโยมไปส่งสว่างกลางใจนะฮะคือนำมาเรียงให้ดูว่าบางอย่างที่เป็นการกระทำไปแล้วมันออกมาทางกายทางวาจาไปแล้วแต่ถ้าเราสาวทําทำไมจึงทำอย่างนี้เราก็จะพบว่านี้ก็คืออาการของของกิเลสที่เกิดขึ้นภายในใจเขาพวกาันันตริกรรม เกิดจากความโลภความกรธความหลงที่แรงแล้วคนที่กระทํากรรมนี้จะประสบความพิบัติในชาตินั้นแล้วก็เร็วด้วยตายไปแล้วตกนรกนั้นเรายังไม่รู้ก็เชื่อตามแต่วดาทรงแสดงแต่ว่าในชาติปัจจุบันเนี่ยก็เจอแล้วฆ่าพ่อฆ่บแม่ฆ่บร้านทํำร้ายพระพุทธเจ้าทําสังฆเพศเนี่ยประสบความพิบัติแน่แล้วก็เร็วด้วยผู้ประพฤติในกุศลทั้งหลายกุศลกรรมบุตทั้งหลาย แเดนว่าเป็นธรรมที่นำไปสู่ความเสือ่อมฆ่ากันแรงขนาดไหนล่ะถ้แรงมันก็มีปัญหาเยอะรักทราพกันประพฤติผิดในทางประเวณีของกันและกันเร่นี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวนะว่าตัวเลขทางอาชญากรรมนี่แรงแล้วก็ยัง ไม่คิดแก้ไขในจุดเหล่านี้ก็ไปแก้กันตรงอื่นซึ่งซึ่งที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเราใช้บุคลากรของเรากลุ่มหนึ่งเนี่ยคือคือกลุ่มพระนี่ที่จริงมีอยู่เยอะแล้วถ้าพูดถึงถึงแก้ปัญหาศีล ธ, นะธรรมเนี่ยนะแก้ปัญหาศีลธรรมเนี่ยชาวบ้านนี่ใหญ่ตัวยังไงแก้ได้ยากกว่าพระแก้ ราคาไปแก้นี่แก้ได้ยิ่งสังคมจนบทจะยิ่งง่ายเพราะว่ากลุ่มหัวเล็กๆจุดเล็กของชาวบ้านจะเรียกบวรบ้านวัดโรงเรีย น, นนะแต่พระดีพระเก่งนะฮะมีมีข้อแม้พระดีพระเก่งท่านสามารถจะนำคนได้เยอะเลยเดี๋ยวนี้ทั้งก็ทำกันทากันทำกันเยอะ ข้าวไข่อบรมฝึกปรือนั่งสมาธิสอนแล้วก็วันสุดท้ายนี่จะมีการบินทบาดความชั่วนะใครๆทำชั่วอะไรก็ตักบาตรกันเขียนเขียนลงเขียนล ง, นลงแล้วพระก็เดินข้าแถบินตะบาดญาติโยมที่เข้าวไข่พุทธธรรมก็เขียนลงตักบาตรเสร็จแล้วก็กล่าวปฏิญาณ ต, ต่อพารรัตนาใจกัน เรเลิกเยอะกนะ็เลิกกวเยอะแต่ทีนี้มันมันมันทำไม่ทันอะ่ะมันเยอะเหลือเกินคนอะ่ะแก้ไม่ทันเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เราเออกมาเข้าค่ายพเพื่อทํามันอยู่ระยะจํากัดไม่เกินเจ็ดวันแล้วแ ก, กไปอยู่ในสังคมที่ถูกยั่วยวนนี่แหละถูกยั่วยวนถูกยั่วยวุถูกบีบตึงเงื่อนไขต่างๆภายในสังคมในสุดบางทีก็กลับขนาดตักบาดแล้วนะปฏิญาณแล้วก็ ตกลงใก้ๆกับเราเราเล่นนั่งนั่งแกว่งน้าน้ําขุนออกไปน้ำใสข้ามาน้ําขุ่นออกไปน้ําใสข้ามานต่มือตั้งกวักข้ากักออกเนี่ยมันดึงมาทั้งน้ําขุนทั้งน้ำใสแล้วน้ำก็ขุนขุนอยู่องั้นเน่ยมันไม่ใสสักทีเลยแลจริงๆเนีการกวักข้าวกักออกเนี่ยมันดึงมาทั้งสองอย่างเราเรก็ดึงข้ามามันก็ข้ามาทั้งขุนทั้งใสเราพรักออกไปมันก็ไปทั้งขุ่นทั้งใสเด็กนั่งเล่นอยู่ริมตลิ่งี่นะ ออกไปนําใส่เขามานําพงคาไหลดินไหลดินกับเด็กนั่งเล่นได้เล่ น, ลนไปเล่นมาก็ตรงนั้นก็ยังจิ้งคุณคุณอยูอ่อันเด็กมันไม่ใสจริงจริงอบายมุกเป็นเรื่องใหญ่ปัญหาภูเขาพระเจ้าทรงแสดงมาทางเสื่อมนิดนก็เสื่อมแล้วก็เสื่อมค่อนข้างแรงเสื่อมค่อนข้างแรงมากตัวเลขทางสังคมเราถ้าเราดูในสมัยสามสามสามศูนย์สาม 3 0มศูนย์ะฮะามสามสาองสามสามมา ต, ต่อระหว่างเปรีมกับชาติชายนะเป็นยุคที่เรื่องเงินมันเฟื่องฟูมากแล้วก็ความผิดเรื่องเงินนี่ขึ้นสู่กระแสสูงอยู่ตั้งสามสี่ปีนะคดีในโรงศสารขึ้นเป็นเรื่องเงินอยู่สี่สิบเจ็ดเเซนเวลานี้แสดงว่ามันมีปัญหาคดีในโรงสารมันเปลี่ยน โดยเฉพาะที่สารตสินจําคุกไปเนี่ยมันเปลี่ยนเป็นสิ่งเสพติดถึงหกสิบสี่เปอร์เซต์ก็แสดงอย่างสามถึงหกเปอร์เซ็นก็เป็นคดีได้เงคงจะไม่ค่อยมีเงินให้โกงเงนเท่าไร่ได้ไงก็ไม่รู้เลยคนก็มั่วไปติดสิ่งเสพติดกันเยอะโดยเฉพาะพวกยา마ยาเนี่ยมาแรงได้เกันอันนี้ก็คืออบายามกุกฤพุทเจ้าท่านสอนไว้ก็คงเป็นเสื่อมอย่างนั้นเอง แต่เราก็ไม่เว้นกันก็ไม่รู้จะทำยังไงมันมันเรื่องเหล่านี้ที่ที่ที่ยากมากเนี่ยคือว่าพวกเราเนี่ยมันเป็นธุรกิจหมดและมีการลงทุนมีการโฆษณามีการประชาสัมพันธ์มีคณะทำงานมีการเคลื่อนไหวนะออกสู่ท้องถิน่นจนบทซอกแซกไปในสถานที่ต่างๆตลอดถึงสถาบันการศาโรับโรงเรียนเด็กเล็กมันไปยุ่งไปหมดเลยเราสู้ไม่ได้นะ มันมีทางที่จะสู้ได้ยังยังนึกว่าต่อไปเราจะสู้กันอย่างไงจะเอานักปราดครูบาจารย์หรือว่าชาวบ้านมาพูดมาชี้แจงกันนะฮะมาชี้แจงเรื่องอื่นก็พอได้นะแต่พอชี้แจงเรื่องธรรมะปรากฏว่ามันก็ฟังได้นะฟังด้วยความชื่นชมแต่ไม่ยอมปฏิบัติไม่ยอมปฏิบัติอันนี้คือคือสิ่งที่มีปัญหา ทั้งๆ ท, ที่จริงๆแล้วการเผยแผ่ธรรมะมันก็ทั้งพระทั้ง้าบ้านมันก็ไม่ใช่ธรรมะของคนนั้นเน่ยนะทํายังไงจะช่วยกันเผยแผ่ได้โทรทัศน์ออกโทรทัศนดออกโทรออโทรัศน์เสร็จพอพระจบพุทธนาไม่โขงเลยแสบไม่รู้เรื่องเลยเามาขอเลิกเวลาการในช่องช่องไหนช่องห้าขอเลิกเวราการ พอเราพูดเสร็จเนี่ยมันขึ้นดนตรีดังลั่นมาหเลยเรายังไม่ทันออกเลยไม่ทันออกจากห้องเลยนะดนตรีมันขึ้นลั่นหมดเบอกว่าไม่ไหวแล้วคนนัเสียเวลาเปล่ามาพูดอย่างเงี้ยพูดเสร็จเนี่ยมันมันหมายความมาคล้ายๆกับเรากำลังกวาดพื้นอย่างดีเพื่อนกขโคลนสาดโครมเดียวจุกเลยเลิกกันไม่ต้องทำอะไรมันเสียเวลาไม่ได้เกิดประโยชน์ในการทำงานเนี่ย อันนั้นก็คือก็คือว่าการชี้แจงเนี่ยเราก็ทําแค่ชี้แจงแล้วเราก็ไม่มีการลงทุนไม่มีการเกาะติดไม่มีการตามตือ้อไม่มีการส่งเซ็นแมนไม่มีการส่งคนไปรับฟอตติลอะไรตัวไหนไม่มีการให้กำลังกำไรไม่มีอะไรเลยและโลกของของวัตถุเนี่ยฮะเป็นยุคที่นิยมวัตถุเนี่ยจะทําให้ยากยิ่งขึ้ในการที่จะ นำเรื่องที่พระพุเจ้าสอนบอกเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงออกเป็นโทษนะถ้าประพฤาปฏิบัติอย่างนี้แล้วเป็นโทษแก่ผู้ประพปฏิบัติจริงๆแล้วก็เรื่อยไปนะว่าประณีตขึ้นไปเรื่อยๆไอ้คาว่าซ่องเเสบก็ว่าสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงการปฏิบัติที่เป็นพรหมจรรย์มันหมายความระดับหนึ่งไม่เป็นอันตรายแต่ระดับหนึ่งเป็นอันตรายก็คล้ายๆกับการ ประกอบสมาชิกของเราเนี่ยนะก็สร้างสถานะเศรษฐกิจสังคมเราดีขึ้นมันก็ดีสําหรับที่จะเป็นคารวาแต่ว่าเป็นอันตรายต่อการเป็นพระพระถ้าไปติดอยู่ตรงนั้นมันก็ไปไม่ได้แลือเราต้องการจะปรรลุก ป, ปั้งผลที่พ่านเราก็ไปไม่ได้มันดีในที่หนึ่งแต่ว่ามันจะเป็นอุปสรรคในที่หนึ่งเพราะว่าเราขึ้นสูงนะมาควาเราขึ้นเ ร, เราขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยตรงหนึ่งเนี่ยมันก็ดี พอถึงจุดหนึ่งเออตรงนี้อันนี้มีมีปัญหาแล้วมันต้องปลดละต้องวางนะมันขึ้นสูงปัดของมันหนักมันแบกขึ้นไปไม่ไหวก็ต้องปลดออกแล้วก็สิ่งใดธรรมะส่วนใดที่ทรงแสดงว่าเป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตามธรรมะเหล่านั้นก็เป็นประโยชน์ได้จริงๆถ้าไม่เป็นประโยชน์จริงๆพระองค์ก็ไม่แสดงไ ม, สไม่แสดงธรรมะเหล่านั้น คนพวกกูสลธรรมทั้งหลายหรือแม้แต่ไม่ใช่กูศุลธรรมนะคือวิธีการปฏิบัติที่เคยสรุปบ่อยๆเพราะว่าตรมแนวกรรมฐาน ก, ก็อยู่ในอย่างเงี้ยนะธรรมะกลุ่มใดที่เป็นธรรมชาติทั้งหลายแต่ให้ปรับใจยอมรับความจริงตามความเป็นจริงของมันแล้วก็ไม่ต้องเดือดร้อนบ่นไปอะไรทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็คือทําไม่ได้ เราก็จะไม่เดือดร้อนเพราะชีวิตของตัวเองและคนอื่นในยามประสบกับพวกสภาวะทั้งหลายเยพวกทุกข์ทั้งหลายนะทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็กทําไม่ได้อะนะทําไม่ได้ก็คือทําไม่ได้ก็ไม่รู้จะดิ้นรนไปทําอะไรเป็นส่วนใดที่ทรงสอนให้ลดให้ละถ้าเราลดละได้เออส่วนใดที่ทรงสอนให้ทําให้แจ้งเราทําให้แจ้งเกิดมาได้ โดยเฉพอย่างยิ่งคือส่วนใดที่ทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติตรรมส่วนใหญ่จะอยู่กลุ่มนี้นะจะอยู่กลุ่มสอนให้ประพฤติปฏิบัติโดยอยากจะให้ท่านสังเกตว่ากลุ่มที่สอนปฏิบัตทั้งหมดเนี่ยนะมันมันมันเป็นใจิกขาเป็นศีลสมาธิปัญญาทั้งหมดถ้าเราไปติดในจำนวนเราจำนวนมันยกะแย่นะแต่ถ้าเราติดในองคธรรมเราจับประเด็นขององธรรมะองคธรรมเนี่ย มันเหมือนกับพืชอ่ะมันมีหนออ่อข้ามานีะ่ะหน่อเ น, นี่เป็นเรื่องสําคัญมากที่จะขยายลําต้นอะไรต่อะไรออกไปตัวก็หน่อนนสําคัญเราจะพบว่าธรรมะนี่ส่วนใหญ่เนี่ยจะคุมไว้ด้วยปัญญาหรือศรัทธาปัญญาก็คืออะไรก็คือสมาธิสมาธิทั้งกะปะศรัทธาเราก็เป็นสมาธทังกะปะ เป็นลักษณะปัญญาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะเขาก็มีเป็นสมาวายามะอยู่ด้วย <c oughs> คืออะเดมักจริงๆมันไม่ได้แยกเดี่ยวออกไปสิ้นเชิงกันนะไม่ได้แยกเด็ดขาดไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะถ้าเราสังเกตว่าสมมุติเรา ง, งดเว้นจากการฆ่าสัตว์เนี่ยเรลองดูที่จิตเราว่าที่เรา ง, งดเว้นจากการฆ่าสัตว์เนี่ยมันเพราะอะไรเพราะเราพิจารณาเห็นว่าชีวิตแต่และชีวิตเนี่ยมันก็รักกัน ชีวิตเขากรักชีวิตเรากรักชีวิตนี่แสดงว่าปัญญามันเกิดขึ้นมันก็ทําหน้าที่ขจัดโมหะบางทีเราเกิดจากเมตตาสงสารมันสงสารมันไปรเดี๋ยวลูกมันไม่รู้จะอยู่กับใครนี่แสดงว่ามันเกิดมาจากเมตตาที่ทําหน้าที่ขจัดโทสะหรือการขจัดพยาบาทบางทีข้าทํำอะไรตัวนิดเดีย นี่ก็แสดงว่าเราก็มีปัญญาพิจารณาเห็นแล้วก็ลดความโลภตัวนั้นลงไปได้บางทีมันเป็นบาปอย่าฆ่าเลยเป็นบาปเห็นไหมมันก็เกิดปัญญาเึ้นมาเพราะาธรรมะที่มันเกิดมันเกิดเยอะแต่ว่าเขาก็ไม่พูดอะ่ะไม่ไดจะพูดไปทำไรมันพูดมันพูดมันก็รุงรังธรรมยากแก่การที่จะกำหนด แต่ว่าเวลาไปอธิบายธรรมะเนี่ยละเอียดพูดถึงสภาพจิตท่นทานก็อธิบายนะฮะระดับปททริทัศน์ท่านก็อธิบายอธิบายว่าอะไรมันเป็นยังไงศรัทธานี่มีลักษณะเป็นยังไงเมื่อเกิดมาแล้วมันทําหน้าที่ยังไงมีผลที่ปรากฏแก่จิตเราเป็นยังไงแล้วไอ้ตัวกระตุ้นเนีมันเกิดเนี่ยอะไรกระตุ้นในเกิดบ้างแล้วอะไรจะไปทํำหน้าที่สลายบ้าง มันมองมันมันมันมองรอบตัวทั้งสี่ด้านอันนั้นมองแบบวิเคราะห์วิใจัยศึกษาสภาพจิตต้องการจะดูจิตของเราเองให้ชัดเจนเขก็ไม่่อยพูดกันนะนะก็เหมือนกับพูดกินข้าวเนี่ยฮะก็เวลาศึกษาวิธีกินวิธีปรุงอาหารก็กินข้าวเนี่ยที่จริงมันมันมันเรื่องเดียวกันนะนะแต่กินก็ไม่ต้องพูดมากเลยก็ปรุงแล้วก็กินไปเลยก็กินไปเลยกินกินอิ่มแล้วกัน แต่ส่วนปรุงเนี่ยไม่ไมใช่มันต้องศึกษาด้านเท่านั้นท่านั้นท่านั้นท่านั้นเราก็สัดส่วนอย่างงั้นจะทําอย่างงั้นไอ้ด้านใสก่อนนั่งใสหลังจะทํายังไงกูว่า ก, กจจันไปยุ่ยย่าไปหมดเลยศึกษากันหลายวันแต่พอกินมันก็อยู่ในในอาหารนั่นเองนั่นก็คือแนวนะที่ที่เราเห็นว่าจริงๆมันเป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีชีวิตที่เราเกี่ยวข้องอยู่มันไม่มันไม่ได้รุนแรงขนาดนั้นแหละนะะไม่รุนแรงขนาดนั้นบางขั้นตอนเนี่ยมันไม่ได้มีขนาดนั้นแล้วโดย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงของการปฏิบัติช่วงการไม่บาป ก, ก็เหมือนกับช่วงกินนะนะมันก็ช่วงกินอาหารสมมติว่าอะไรสมมติว่าสัมมาวายามะซึ่งเป็นสมาธินะฮะที่จริงมันอยู่กลุ่มสมาธิความเพียรในทางที่ชอบแล้วก็มีสังวรประทานคือเพียรต้องการไม่บาปเกิดขึ้นในจิตตทันดาเราจะเห็นมันเป็นศีลนอะ อันเป็นศีลอระมัดระวังไม่ทำชั่ว ก, ก็ศีลก็คือการงดเว้นน่ะพนี้ก็คือศีลแต่ว่าเป็นศีลทั้งหยาบทั้งละเอียดถ้าเราพูดเฉพาะตรงนี้ก็หมายความว่าเอาศีลทั้งหมดเลยแล้วก็ระมัดระวังแม้แต่การถืนรูปฟังเสียงนุมกิดนิ่มรดเนี่ยก็ต้องระมัดระวังด้วยสรุปว่าการระมัดระวังเวลาตายรูปฟังเสียงนี่มั น, ม, นมันค่อนข้างละเอียดนะเราระมัดระวังยาก หรือว่าละความชั่วพยายามละความชั่วมันก็เป็นทั้งศีลเป็นทั้งสมาธินะเป็นทั้งปัญญาแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องสมาธิพอภาวนาก็เพียนให้กุศลเกิดขึ้นมันก็เป็นศีลศีลคือการงดเวน้นมันก็เพิ่มกุศลแล้วนะการงดเว้นนี่มันเริ่มเป็นกุศลตรงงดเว้นชั่วแล้วแล้วก็เป็นความดีระดับธรรมะ เป็นความดีระดับสมาธิเป็นความดีระดับปัญญาผมก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆเปลี่ยนรักษาความดีที่เกิดขึ้นแล้วเกี่ยวการงดเว้นศีลเราก็ที่เคยงดเว้นได้ก็พยายามรักษาไว้ธรรมะที่เคยปฏิบัติได้ก็รักษาไว้จิตที่สงบเป็นสมาธิที่เคยได้เคยสัมผัสก็พยายามรักษาไว้ปัญญาความรู้ที่รถลักิเลสได้ก็พยายามรักษาไว้มันต้องรั ก, รกษาทั้งหมดนั่นแหละ ทีนี้หมายความว่าในด้านตรงกันข้ามกิเลสประเภทโลภะโทสะโมหะเขาก็ลดลงไปโดยอัตโนมัติโดยธร ร, รมชาติหมายความเมื่อกุศลและธรรมเกิดพวกนี้ก็ต้องก็ต้องดับถ้าเกิดมากเกิดเต็มที่เกิดสมบูรณ์อกุศลและธรรมก็หมดไปธรรมะทั้งสี่กลุ่มนี้เราจะเห็นว่าเป็นเรื่องของพระองค์สองขอ้อ เป็นเรื่องการศัสรูกับการเป็นพรานหมายความว่ามาเรื่องของปัญญาคุณกับเรื่องบริสุทธิ์ิคุณนะตารางต่านตั้นตั้นอังหลายลองจับจับหลักดูนะข้อแรกก็คือปัญญาคุณข้อสองก็คือพระบริสุทธิ์ิคุณและจากปัญญาคุณกับบริสุทธิ์คุณที่ทรงมาคุณาคุณสอนโลกให้ละชั่วประพฤติดีนะี่ยคือกรุณนะแล้วก็มองนิธรรมะเพราะที่พระองค์ห้ามเนะี่ยว่าเป็นโทษนะ เป็นบาปนะเป็นทุกข์นะแล้วเป็นทุกข์จริงไหมเป็นบาปจริงไหมเป็นโทษจริงไหมจริงอย่างนั้นจริงอย่างนี้จริงอย่างตลอดไปจริงมาเมื่อเมื่อก่อนเป็นยังไงเดี๋ยวนี้ก็จริงอย่างนั้นแล้วก็ส่วนที่ทรงแสดงว่าเป็นคุณก็เป็นคุณอยู่อย่างนั้นนั้นแสดงว่าธรรมะนั้นเกิดขึ้นจากความรู้จริงเกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์แต่นามาเผยแผ่นามาสั่งสอนก็ประสงค์กรุณาต่อสัตว์โลก <st> <st> ต้องการจะให้เขาหลุดรอดจากความทุกข์อย่างน้อยก็บรรเทาความทุกข์โดยการอะไรก็คือว่างดเว้นสิ่งที่ทรงแนะนำว่าเป็นโทษเป็นอบายเป็นทางเสื่อมเป็นทุกข์เป็นอะไรก็ตามถืองดเป็นแล้วก็ส่วนอะไรเป็นส่วนที่ดีงามก็ให้ลงมือเพื่ิปฏิบัติหลังจากตรงนี้เมื่อคนเข้าไปพิสูจน์ตรสอบแล้วเขาก็สัมผัสได้ ก็ยืนยันในความจริงส่วนนี้ตราไม้พระองค์องอาจกล้าหาญไม่ครั่งครามใครจะท้าทายยังไงใครจะมายกพวกมาสักถามมาลองดียังไงเราจะพบว่าเยอะพระสูตรที่เราผ่านมาในผ่านผ่านเรื่องเรื่นี้มาเยอะพระเจ้าทั้งก็ทังก็ไม่ได้ร้อนอะไรนะไม่ไ้ร้อนอะไร ในสัจจะนิครณหรือว่าประกาพรมที่เราพูดถึงเรื่องพุทธชัยมงคลคาถาก็ต่านลองสังเกตว่าความบริสุทธิ์เช่นนางกินจะมนาวิกามาทําท้องเป็นท้องมายืนชี้หน้าเนี่มันหน้าเสียวนะหน่าเสียวนะแล้วพระเจ้าจก็ประทับเฉยอ่ะมันก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เตียงได้รับสั่งว่าเออเรื่องเรื่องเนี้มันก็จริงเท็จไปยังไงก็เรารู้กันสองกดพระองค์ก็รู้ส่วนพระองค์นะนางกินจะมนาวิกามาเรารู้ส่วนานาง การนั้นก็คือท้าทายความบริสุทธิ์หรือว่าตอนสัจจนิครนมาท้ า, อาตอบคาถามเนี่ยมันก็เป็นเป็ น, เ ป, นเป็นการพิสูจน์ถึงไม่หวั่นไหวในด้านเกี่ยวกับความรู้เป็นต้นเนี่ยวันนี้ก็ขออยู่ติไว้ในเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจงมีแด่ท่านสาธรชนทั้งหลายโดยตัวการทุกท่านทูน